เราฟังทมต่ออีกอยากที่เราได้ฟังพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง mm hmm. เมื่อมีการฟังแล้วเอามาเป็นข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติ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 ทางกิจบิญญาณของเราไม่ต้องจนอาชีพทางโลกก็ย่อมมีเครื่องมือเครื่องมือบางทีก็ซื่อหาราคาแพงๆก็จะได้ชีวิตรักษาโรคไข้ไขเจ็บหายเจ็บหายป่วย จะมีการเกิดเจ็บเจ็บตาย <c oughs> ชีวิตจริงๆมันหวถึงมรรคถึงผลเการเกิดเจ็บเจ็บตาย้ว่าอาชีพทางจิตวิญญาณผู้มือในการศึกษาเรื่องนี้มีพร้อมแล้วในตัวนอกตัว เรียกว่าศ า, าสนาศาสนาวัตถุศาสนาพิธีศาสนาบุคคลศาสนาธรรมนีให้ได้เกิดความสะดวกในการนี้จึงหน่วงเฉกรรมฐานมากที่สุดโดยเฉพาะชีวิตพวกเราที่เป็นนักบวช อยู่วัดป่าล า, ามเป็นหนชีพโดยตรงอย่าไปทำอย่างอื่นมีชิติ1 0อยเปอร์นะไรที่เกิดขึ้นกับกายก็บ้อยเปอร์เะไรที่เกิดเึ้นกับใจก็ร้อยเปอร์เทำให้ถูกได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการต่อรองขอวลองจับใครๆเช่นเวลาเรา ฝึกวิชากรรมฐาน ม, มีสติปนญญาอยู่เป็นประจำตามที่พระพุทธเจ้าเลาทำเรื่องนี้นีสติปัญญาเป็นประจำกายก็มีวิธีใดที่จะให้เกิดความรู้สึกที่กายโยเ ย, ยลมหายใจก็เป็นการ ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นกายผู้เหยียดเคลื่อนไหวก็เป็นกายพิบต์หายใจก็เป็นกายจบตรงไหนก็ได้ให้มีสติอย่าให้มันฟรีตั้งใจทำจุดใด จ, จุดหนึ่งให้เป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะลาวไปหนึ่งวันเจ็ดวันหรงเดือนเจุดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีลองดูพิสูจน์ลองดู สถานที่ก็เป็นวัดวาอารามมีมิตรมีเพื่อนมีโสสนวัตถุย่อสายมีศสสารบุคคลโมมิตรเพื่อนผงมีโสสนรพิธีอาวัชส่วนมนต์สที่ใหญ่พสูตร์ นีระเบียบวินัยที่ปฏิบัติตามแล้วก็มีาศาสนธรรมที่บอกผิดบอกถูกแก่ผู้ปฏิบัติไม่ฟรีไม่ไม่ฟาวเวลาเราทำกรรมฐานเห็นทุกอย่างที่เหมือนเกิดขึ้นกับกายกับใจมีทุกอย่างที่เหมือนแสดงออกมาให้เห็นถ้ามีสติ อย่านอกก็ได้ข้อได้ทางผ่านเห็นกายอะไรที่เกิดกับกายไม่รีไม่รับเป็นรสของโลกที่เกิดกับกายมีรสชาติอย่าหลง หเห็นที่มีสติเห็นกายก็สักว่ากายไมาใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลเขาย่าอาการต่างๆที่เกิดกับกายมาเป็นตัวเป็นตนอย่ามาเป็นตัวเป็นตนให้เห็นเป็นโลกที่เหมือนเกิดกับกายถอนความพอใจและความไม่พอใจอะไรที่เกิดกับกายออกมามีสติ นี่ให้ทำอย่างนี้เดีอยวิ่งที่มันเกิดกับกายก็มีสุขมีทุกข์เรียกว่าเวทนามันมีมีปวดมีเมื่อยมีรอดมีเหนาวมีหิวมีอะไรหลายอย่างมียากไปง่ายมีผิดมีถูกมีหลงมีลืมอะไรหลายอย่างให้เห็น มาหย่าอามาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นทุกข์ไสักว่าเวทนาที่งมันลงไปที่เก่าอย่าให้มันไปไกลวางไว้ที่เก่ า, <c oughs> า, กวาเวทนาศกไวกเวทนาถ้าเอาเวทนามาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนก็โลกลดของโลกเกิดขึ้นแล้วลดของโลกถ้ามีอยู่ตรงนี้ไปไกลถึงความเกิดเจ็บเจ็บตายได้ ยิ้ที่เหมือนคิดก็มีมันมีวิญญาณจิตวิญญาณในรูปในกายนี้ไม่มีจิตวิญญาณสำคัญปากตัวนี้อาศัยกันและกันเพื่อให้เกิดปุ๊บเกิดชาติได้มันมีไม้มีมือความคิดมือของจิต มอายของกิตคือมันชิดมันเป็นใหญ่มากเปนใหญ่กว่ากายถ้าไม่มีสตินะคิดอะไรก็ไปตามความคิดไปตามความคิดทุกอย่างทําตามความคิดทุกอย่างถึงเวลานอนเราก็ยังคิดคิดเราจะนอนไม่หลับ นันชักแต่ ว, ว่าจิตอย่าไปเป็นตัวเป็นตนจิตที่มันเป็นเช่นนั่นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันชักแต่ ว, ว่าไม่ยิ่งใหญ่ถ้าเรามีสติรู้สึกแล้วเห็นแล้วไม่ใหญ่ภาวะที่เห็นที่รู้นี่เป็นอินรีย์เป็นตัวใหญ่สามารถเห็นได้ ได้มีสติได้ได้พลังกำลังมาจากกายได้กําลังมาจากภยทนาได้เฉลยมาแล้วได้กําลังมามาเฉลยตุว ก, กิจนั่นก็ว่าอันเดียวอันเดียวมีพลังเหมือนรถวิ่งออกแรงมากายปลายเป็นปลายปลายแรงอาจจะมีความแรงไม่เหมือนกับต้น แล้วก็มีธรรมที่มันเกิดขึ้น ใ, ในต่อไปจา ก, กจิตธรรมใหมายถึงธรรมอารมณ์มันยอมมันยอมจิดได้คิดขก้นมาเกิดชิดเด็ดตัณหาต่างหาเป็นตัวเป็นตนคิดขก้นมาแล้วโกรธโลภลงได้ เป็นสุขเป็นทุกข์พความคิดได้เช่นกัน้ายความคิดนี้เป็นเวทนาอยู่มากที่สุดเวทนาเกิดจากความคิดโดจากคิดอาจจะถึงลอยทั้งลอยในในดาน่านนี้มีปัญหาเรื่องกิดเรื่องใจ มากที่สุดกลายเป็นธรรมมาลมธรรมมาลมที่เกิดกับจิบไล่กัวเสือทํำลายคนมากถ้าตัวเองฆ่าคนอื่นทำลายสิ่งเื่นวัตถุอื่นเกิดโลนนี่เลยเป็นธรรมขึ้นมาเป็นฝ่ายอกุศล อ๋อบางอย่างก็เป็นกุศลเกิดจากจิต ก, ก็อย่าลืมมันเห็นมาอาจจะมีความสุขสงบบ้างปิติบ้างเห็นมันมีหลายอย่างฉากที่เกิดจากความคิดที่ออกมาจากจิตเป็นได้หลายอย่างก่มร้อยุ่มดีผู้ผู้แพบแผล กลาคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดกลางคืนเป็นขวัญกลางวันเป็นเตวมากมายทามาหลมที่เกิดกับจิตมีรักมีชังมีสุขมีทุกข์มีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วมีจิ่อเดตัณหาลาคาไปบาตมีกุศลมีใจดีใจงามแล้วก็มีเยอะแยะไปหมดเล ย, น, ลล ย, ย, ย, เลยนี้ความลักความชังเอ้ยควมรักก็บตามตามความรัก ความเกียจฉังก็ทำตามความเกียจชังคือจิตนั่นเองนั้นสัตธว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราของอ๋อเพียงพอหู้มือได้คู่มือเฉลยเลยแตเลยเบื้องต้นกาิยวนน้จิตทำหลับ ไม่เหนือไปจากกรรมฐานสิ่งที่เราทำอยู่นี่มีจติเห็นกายเห็นลักษณะสอย่างเห็นว่าไม่เป็นรูปเป็นนามเป็นรูปนามมันมีมันเป็นมันก็แก่ก็ไปรอบอย ให้แตกฉานขึ้นมาชาติมาไม่ใช่ชาติรุ่นรุ่นมาก่อนเป็นชาติปานโตตอบทักท้วงใหญ่ขึ้นมาย่อมมีอำนาจเมื่อชาติมันมากย่อมมีพลังมองทะลุทะลวงได้เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนาวบางทีลูก เมตตาการูปก็คือเป็นรูปเป็นก้อนมหาภูตารูปประกอบด้วยธาตุสี่อุปธาจรูปเกิดขึ้นเหนือจากมหาภูตารูปเป็นรูปที่เป็นพบเป็นชาติบางทีรูปกับน้ำเบียดเบียนกันน้ําเบียดเบียนรูป คือความรู้สึกคืออารมณ์คือการต่างๆเกิดจากความคิดมาเบียดเบียนลูกบางทีลูกก็เบียดเบียนนามถึงครั้งเก็บไข่ได้ป่วยเหตุการเกิดกับลูกก็ทุกข์ก็ทุกข์ใจอางทีใจโกรธก็เบียดเบียนลูกกินไม่ได้คื้นไม่ลงไม่เป็นธรรม พอมีสติขึ้นมาจร่งใหญ่เงียบราดเป็นมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเห็นเห็นอาการต่างๆเกิดกับลูกกวานามสรุปลงละหมาให้เห็นเห็นหมดเห็นครบเห็นท่วนลูกทามันทําดีลูกทามันทําไม่ดี นามธรรมมันทำดีนามธรรมมันทำไม่ดีลื้อละลังลื้มรูปทุ ก, กเป็นทุกนามทุกไปแล้วเปล่าต่อไปหาตัดแตกไปแตกฉันเลยเปิดเผยเปิดเผยออกมาก็เหมือนของที่ปิดเปิดออกของที่ขึ้นมาขึ้นแล้วเห็น สิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามแค่ไหนเพียงยปราวะที่เห็นนี่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามอย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพาลาดลาล้อยเป็นดีหมดภาวะที่เห็นนี่มันทําได้อย่างนี้ย่อมมีผลหลังแห่งการกระทํา อสัทธาเกิดความเพียนไม่ท้อถอยได้หลักได้ถานได้ความเทศจความจริงที่มันเกิดขึ้นกับลู ก, กบุญธรรมเราเคยทุกข์เราเคยหลงเราเคยกโกรธพอมาเห็นพื้นฐานของมันแล้วเสียเปรียกความทุกข์เสียเปรียบความโลภเสียเปียบความโกรธก็ตื่ลือ้ล้นก็ตื่ลือ้ล้น ไม่ความเห็นชอบไม่ความเห็นชอบสมมติที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นชอบดำริชอบมเหมือนหลงเห็นมันหลงดำริไม่หลงเมื่อเหมือนทุกเห็นทุกดำริไม่ทุกมาอไอยเป็นดีมาเท่าไหร่ก็ไม่ไม่กลัวเพราะมือนเห็นความเท็จความจริง เนี่ยมันเห็นแล้วบรรได้ไม่ปล่อยทิ้งแต่ก่อนมันปล่อยทิ้งแบบ น, นี้มันไม่ปล่อยทิ้งอะไรที่ไม่ถูกไม่ยอมเด็ดขาดที่เกิดกับการกับใจกับลูกกับดามนี่มันก็มีความสําเร็จในการกระทําเชื่อมั่นในการกระทําเชื่อมั่นในธรรม มีหลักสองอย่างนี้เป็นการเป็นคู่มือเป็นเป็นพาร์เออร์เป็นพลังก็ว่าได้กรรมกับธรรมกรการกระทํำงนใจในกรรมในการกระทําไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องง น, นใจในการกระทํำทำได้สําเร็จทุกอย่าง สิงที่มันเกิดขึ้น ก, กับรูปกับน้ำกับปลากับใจที่เป็นการกระทํารูปทําน้ำทำําทําบางอย่างมันเป็นธรรมชาติรู้หมดแค่ไหนเพียงไรทําบางอย่างเกิดการ ก, รกางกับธรรมเกิดนาที่เป็นบาปที่เป็นบุญตัวจารกกระทําเพราะว่า ความชั่วก็ก็มันก็นกนกอยู่ไว่ไดเออ้เคยความชั่วเคยชชั่วมือนอาย ม, ม, มันกลมขืนมะกกมเป็นใหญ่ไม่มีคนอื่นเห็นก็เห็นตัวเองเห็นก็ทําทางกายก็ทำทางวิจารก็ทำทางจิตมันไม่กล้ามันอาย รวหลายก็มก็มีแต่หวามความดีโดยพัฒนาความชั่วให้เป็นความดีความดีมันได้จากความไม่ดีความทุกความไม่ทุกได้จากความทุกมันก็ไปแบบนี้ความทุกเป็นฐานมันจึงไม่ทุกความชั่วเป็นฐา น, นจึงไม่ชั่วความผิดเป็นฐานจึงไม่ผิด เห็นที่เห็นถูกเห็นการกระทาแล้วก็เห็นธรรมเห็นธรรมพี่เหมือนถูกมืนผิดเหมือนกันทำที่เป็นกุศลตอนที่เป็นอกุศลก้มหลงไม่จริงก้มไม่หลงเหมือนจริงเอาไม่ได้ก้มไม่จริงก้มทุกข์ไม่จริงก้มไม่ทุกข์เหมือนจริงเอาไม่ได้ อะไรที่มันผิดเนี่ยเอาไม่ได้เรียกว่าทำรรละมันงมีการกระทําได้สําเร็จ <c oughs> คู่กันกับทำกรรม ก, กับทำแอนของเชยงบา่าเียงหลายกันเป็นคู่มือชิงกันนักกันมีผิดเพื่อให้ไม่ผิดมีอะไรก็ตามนอกจากนั่งก็เห็นสมมติที่มันอยู่อยู่ในรูปในน้ำในโลกทั้งโลกน่ สมมุติบัญญัติสมมุตินี่มีวัตถุก็มีมีนามธรรมก็มีบัญญัติสมมุติบัญญัติเป็นวัตถุสิ่งของสมมุติบัญญัติเป็นนามธรรมไม่มีวัตถุสัมผัสได้แต่มันไม่เป็นวัตถุเป็นต้นเป็นก่อหรือว่าสัมผัสได้เช่นชอบไม่ชอบบัญญัติ แล้วก็มีอุ ป, ปาทานยึดโอ้สนุกดีเห็นต้นโตเห็นล่างเงาสาวไปเหมือก็เห็นชาวมุตไทยเหมือกับลื่อถอดโครงสร้างอะไที่มันเกิดขึ้นมาถ้ามีกรรมฐานนลมามันจะง่ายๆถ้าไปอดไปทนเลยไม่ค่อยได้ เราเคยโกรธเราอดทนเอาแล้วเคยทุกข์อดทนเราเอาหน้าบัดยากแต่เวลาเรียนกรรมฐานมันง่ายๆมันไต่เต้าไปเหมือนกับเราเรียนหนังสือ ก, ก็ไก่ประทบชั้นมัธยมปะทบมัธยมอุดมก็ถึงชำ น, นิชำ น, นาญจะเป็นด็อกเตอร์เชี่ยวชาญอันนี้ก็มีความชำ น, นาญเหมือนกันเป็น ปริญญาเหมือนกันชํนานาญในการเห็นชํนานาญในการเห็นในการลูหลงชํนานาญมากไม่หลงมวพร้อมกันทุกชํนานาญมากชํนานาญในในการลู้ลูแลว้วลูแลว้วลูแ ล, ว ล, แลว้วเรี่อปริญญา กำหนดรู้ในการรู้จอตรปริญญากำหนดรู้ในการละเป็นปริญญาอาความผิดนี่ละมาเพื่อถูกชำนาญในการละตีละคณะปัญญาชำนาญในการแจกแจงย่อแยกควมหม่เที่ยงควาเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนย่แยกไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้น เป็นทุกข์สินดเป็นทุกข์สิ น, นัไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราย่อแยกไปจนไม่เหลือนลยเหลือศูนทุกข์เหลือศูนย์โกรธเหลือศูนย์นปัญหาปัญญาไปเลยก็มีความชั่วายกัพราะมันติดเท้าไปจากอาุมานยกมือชร้างจังหวะรู้สึกเล็ดดายมันก็ไปถึงปัญญา ไม่ต้องจับหนังสือถ้าผู้เรียนอยู่ในสมองมีปากกาเล่มเดียวเรื่องชีวิตได้นี่คือปัญญาไม่มีปัญญาแบบพุท ธ, ธะนะปัญญาปัญญาชำนาญในการลู้ในการละในการแกแกงในการทำให้หมดไปประหาณนะปัญญาทำให้หมด ไม่ข้างไม่เหลือหมดไปคือถึงที่ไถึงที่ไม่เปลี่ยนอะไรที่เกิดกับกรูปกับนามเหินช ม, มตูเห็นมันหยัดเห็นวตัวอาการต่างๆครบเข้าสู่ศีลเข้าสู่สมาธิเข้าถูกปัญญาเข้าสู่ทํามนิพพานกุศลตโนสนุนน้อยลงน้อยลงลงล ง, ง สรุปลงสรุปลงเหมอนอยู่ในกรรมมืองปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนคีวิตมารวมลงที่กรรมเมเดียวพ้องหมดไม่ต้องดูอะไรที่ไหนศีลก็เหมือนกันวิญัยก็เหมือนกันถ้าเราไปอ่านวินัยเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่นี้คนถามว่านมำท่วม เจ้าภาพไปทอกระถินไม่ได้จะทำไงามาทอดที่สมมติเจ้าจภาพอยู่ชายภูมิทอดที่ชายภูมิได้บหมให้าพาที่ที่อยู่สกกลนครมารับกระถินที่ชายภูมิได้ไหมแล้วก็ไปอ่านวิไหนขีขาบทไหนผิดขีขาบทไหน อันนี้มันก็เป็นสมมุิขึ้นมาปันยอดขึ้นมาแล้วก็ทุกวันนี้ที่อั่างวัดป่ามหาวันเนจ้าภาพมองไปได้ส่งธนนัตมาปัจจจยมาอันนี้ก็ได้ถ้าพิกสุไปรับเองงานรับกระถิ้นเอง ไม่มีใครนำไปนำไปเองได้เพียงสามโยช์เกินกว่าสามโยตต้องอบัตเทาอะไรจะถูกโจรหัวไหลป้นหรืซัในศิขาบทข้อหนึ่งว่าอิกสุเมื่อมีผู้ถวายข้นเกี่ยมอิสุเดินทางไกลเมื่อมีผู้ถวายข้นเกี่ยมก็รับมาได้ ถไม่มีการนามามำเองได้เพียงสามโยชน์ถ้าเพียงเกินถั่วสามโยน์ต้องออมเพราะขนเกียมสมบัติข้าพเจ้า ม, มันราคาเพงเอาปู่พ่านั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว <c oughs> มีอยูน่นี่อันนี้เท่าเราไว้ล่สิขาบทเมันก็เป็นอย่างนั้นที่นี่ทำทำอะไไม่ครับเป็น เราไปไล่จิการบ่เนี่ยคู่มือของการปฏิบัติเพื่อถึงเมื่อถึงผลน่ไม่ได้อยู่ที่ไหนะไม่อยู่ที่เราในเร้วเสู่ศีลเข้าสู่สมาธิเป็นจูปัญญาวิในก็คือนำไปสู่การวิเศษนันํำไปไม่ใช่นำไปนะนำทางกีปัญญาณไปสู่สิ่สงที่วิเศษ ในความหลงไม่วิเศษกวามไม่หลงวิเศษนี่วิไหนมีทุกไม่ทุกมีหลงไม่หลงมีโกรธไม่โกรธวิไห น, น, ไห น, น, ห น, น, นเราตรงนั้นเหรอไอวิไหนเราจนถึงนู่นหลังที่เราสาเทประสบสัมมาสมาธิเพราะละกามเสียได้ละวิตกเชื่อได้ไอหนุนวิไหนเราตรงนั้นเป็นทำวิไหนทำวิไหนนี่เกิดจาก สตินี่กายานปุปจนสธิปัฐานนี่วินยัยธรรมวินยัยธรรมวินัยนี่เป็นมากเป็นผลเป็นมากเป็นผลอวินัยที่บัญญัติเป็นสิ่งที่ช่วยเราเหมือนเหลือลมใหญ่ไม่ให้หุดให้หล่นเพราะมีพิกสู ปฐมบัตรเกิดขึ้นแต่ละข้างแต่ละข้างต้องบัญญัติขีขาบวพอมีวินัยบัญญัติแล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้บวชเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำวินัยตัดไว้ีแล้วจงปฏิบัติตามทำวินัยนั้นเถิดนั่นมันง่ายบางคนหาว่าวินัยนี่จุกจิกไม่ใช่เลย ปฏิบัติตามทำไปไหนมาอย่างไงก็เป็นอันเดียวกันน่าอย่างไงทําไปไหนผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาส่วนวาดเหาสมมุติว่าที่นี่เป็นเราที่เราอยู่ที่นี่วิยัยทำไปไหนคิดอยู่เสมอว่าผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาส่วนวาดเหามาแล้วอยู่เป็นสุขเป็นสุข แม้จากไหนตะกูลใดชาติใดที่ไหนหมาอยู่ที่นี่ให้มีความสุขอย่าเบียดเบียนกันช่วยเหลือกันเพึ่อฝาเสยกันฝากสีฝากไข้ต่อกันนะกันไม่จะแยกว่าคนนั้นมีญาติคนนี้เป็นเพื่อนติเสมอกันหมดเลยตัวทำวิไหนเหมือนเช่นได้ลอยดอกไม้ดอกไม้ต่างต้น ต, ต่างสี ลูกต่างพ่อต่างแม่บางที่ใจใจคอเมืม่อมาอยู่ที่นี่ต้องเป็นคนเดียวกันทำไม่ไนนายันเดียวกันหมดมาได้แยกเพราะนั้นมีหลไก็ให้เพึ่ปฝาใส่การช่วยเหลือกันลางที่เราเมที่อยู่มันก็กว้างใหญ่เหมาะดูเลยไม่ทั่วถึง อยู่ใกล้กันก็บอกกันดูแลกันบ่างให้เห็นกันทุกวันอยู่ใกล้กันะถ้าไม่เห็นก็ก็ต้องถามบางทีอาจจะเจบป่วยไม่ได้ออกมาจากกะทิ mm hmm. ก็เห็นแล้วก็บอกตลอดกันไปจะได้รูปช่วยกันคนเดี๋ยวขนหายสองคนเพิ่งเริ่มตายสามคนกลับบ้านได้ที่ดหลมิดเพื่อนกันย่าป่วยกันทิ้ง ถ้าป่วยอางันเจ็บป่วยคนเดียวเสียใจนะไม่ใช่ทําเวไนยเราอยู่เพื่อทําเวไนยให้ให้เป็นอันเดียวกันตอนนี้ก็พ้นทุกผู้มีทุกข์ก็พ้นทุกข์ผู้มีโกรธพ้นโกรธผู้มีความโศกเศร้าเสียใจก็มีกายผนัยความโศกเศร้าเสียใจถ้ามีทําไม่ในในหลักปฏิบัติ ไปถึงผู้มีความเกิดก็ไม่เกิดผู้มีเจอก็ไม่เจอผู้มีเจ็บก็ไม่เจ็บ ผ, ผ, ผู้มีตายก็มยไม่ตายคือที่ไม่ตายโน้นคือทำไม่หนัยที่ปฏิบัตินั้นไปจากการเห็นกายสว่ากคา์เอตนาจากว่าเวทนาจิตสวรรค์จิตธรรมสวรรค์ธรรมหลุดไปเรื่อยๆหลุดไปเรื่อยๆเห็นเห็นไปเห็นหมดทุกอย่างที่มันเกิดกับกายกับใจเราดี ที่สุก็ผ่านมาหมดมันน่าเป็นอะไรสักอย่างเป็นไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใจเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้มันก็เป็นอะไรต่อไปไม่ก็ไม่เป็นอะไรครับเรื่องของกายของใจเองมันเห็นทุกอย่างไม่ได้เอกใจแค่ไหนเพียงไรนี่คือทำปฏิบัติธรรม มีอยู่ที่นี่มีอยู่ที่เราเนี่ยมีอยู่ทุกคนมีคนพูดมีคนฟังมีการกระทำมีวิธีทำตามหลักสูตรของการตัดสู้ของพระเจ้าทำอย่างนี้นั่งอยู่ใต้ต้นโพกเขียนเข้าเหยียดเขียนออกมีสติแล้วก็มีโอกาสแล้ว ผู้เป็นหนุ่มก็ยังดีผู้เป็นแฉ ก, ก็ยังรีบเข้าความรู้สึกตัวเมื่ออยู่กับคนหนุ่มคนแฉเป็นความรู้สึกตัวเหมือถุนเหนือแฉเหนือเพศเหนือไหวเหนือลทัทธินิกายรนะประมาทประมาทในความหลงประมาทในความทุกข์ประมาทในความสุข จะให้มสติแต่างสติมันจะเป็นภูมิจันทร์เห็นนี่จะเห็นเห็นแล้วไม่เป็นอะไรเมื่อกี้คือกับเรานอกตัวเราเห็นไม่เป็นในโลกมีบ้าวล า, ากรูดโลกนีก่รสชาติทําให้สัตตโลกติดเมื่อเราไม่มีสติถ้ามีสติก็ก็อาจะมี เนื้อดีสักหน่อยไม่เปิดเพื่อนไมื่อยเห็นไม่เป็นเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เห็นหลงไม่เป็นหลงเห็นโกรธไม่เป็นโกรธเห็นความวุ่ใจไม่เป็นความวุ่ใจอย่าหลงไปตามมานมีจิตสติสติรู้จึกตัวถ้าไม่รู้กรรมฐานหลงไปมือตกเข่าลงไปหายใจเลื่ลง่อหลงไที่ตั้งไว้เกาะนี่ไว้ก่อนให้กลับมาอย่าเป้าเหตุผลตัดชิน ทำไมทำไมอย่ามีมีมากรรมฐานเหมือ น, นกระดองเต่าต่ามันมีอวัยวะเวลาอันตรายเกิดขึ้นมันหดอวัยวะเข้าแนกระดองเรามีกระดองของเราคือกรรมฐานกรรมารู้จักตัวกรรมารู้จึกตัวเนี่ยนะดีไหมนี่พี่เสีรกับสาวฟัง